พระศาสดาตรัสว่าเทวดาเหล่านั้นได้ฟังสองพระกุมารทรงพิราบร่ํารําพันแล้วจึงได้กล่าวกับเทพบุตรทั้งสามว่าท่านทั้งสาจงแปลงเพศเป็นสัตว์ดุร้ายในป่าคือเป็นราชสีหนึ่งเสือโคร่งหนึ่งเสือเหลืองหนึ่งอย่าให้พระราชบุตรตรีของพวกเราเสด็จกลับจากการแสวงหามูลพลาหารในเวลาเย็นได้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 พระภัสดาและพระลูกรักเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกระทําอารักขาให้ดีพระนางมาซีตรัสว่าเสียมของเราหล่นแล้วและตาเบื้องขวาของเราก็ขม็ณรอยู่ริกริกต้นไม้ทั้งหลายที่เคยมีผลก็กลายเป็นไม่มีผลพิษทั้งปวงเราก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงเมื่อเรากลับ บ่ายหน้ามาสู่อาสมในเวลาเย็นเมื่อพระอาทิตจะอัสดงคตสามสัตว์ ร, ร้ายก็ปรากฏยืนขวางทางพระอาทิตก็คล้อยลงต่ำและอาสมก็ยังอยู่ไกลหนอก็มูลพลาผลอันใดที่เราจะนำไปแต่ป่านี้เพื่อพระเวสสันดรและลูกน้อยทั้งสองเขาเหล่านั้นพึงเสวยมูลพลาผลนั้นโพชนาอื่นไม่มี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 คอยชะเงหาแม่ฉนั้นเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้คงจะยืนคอยต้อนรับเราเสมือนหนึ่งหงส์ซึ่งตกอยู่ในเปลือกตมฉนั้นเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้คงจะยืนคอยต้อนรับเราอยู่ในที่ใกล้ๆอาสมเป็นแน่แท้ หนทางที่จะไปก็มีอยู่ทางเดียวทั้งเป็นทางเดินไปได้คนเดียวโดยข้างหนึ่งมีสะอีข้างหนึ่งมีบึงเราไม่เห็นทางอื่นซึ่งเป็นทางไปยังอาสมได้ข้าแต่พญามรุคราชผู้มีกําลังมากในป่าใหญ่ดิฉันขอนอบน้อมต่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องของดิฉันโดยธรรมดิฉันขออ้อนวอน ขอท่านทั้งหลายจงให้หนทางแก่ดิฉันเถิดดิฉันเป็นภรรยาของพระราชบุตรผู้มีสิริผู้ถูกขับไล่จากสีพิรัตดิฉันมิได้ดูหมินพระราชสวามีพระองค์นั้นเลยเหมือนดั่งนางสีดาคอยอนุวัตตามพระรามราชสวามีฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ดิฉันแล้วกลับไปพบลูกน้อยของท่าน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 ทวยเทพทั้งหลายผู้แปลงกายเป็นพาลมารึกได้ฟังพระวาจาอันไพเราะน่าการุณาเป็นอันมากของพระนางผู้รำพันวิงวอนอยู่ได้พากันหลีกจากทางไปพระนางมสีตรัสว่าพระลูกน้อยทั้งสองพระองค์ขมุกขมอมไปด้วยฝุน่นเคยยืนต้นรับแม่อยู่ที่ตรงนี้ ดังหนึ่งลูกโคอ่อนยืนคอยชะเ ง, งหาแม่ฉะนั้นเพราะลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยยืนต้อนรับแม่อยู่ตรงนี้เหมือนดังหงติดอยู่ในเปลือกตมฉะนั้นเพราะลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยยืนต้อนรับแม่อยู่ใกล้ๆอาสมที่ตรงนี้ พระลูกน้อยทั้งสองเคยร่าเริงหันษาวิ่งมาต้อนรับแม่ราวกับจะทําให้หัตถัยของแม่วันไวเหมือนลูกเนื้อเห็นแม่แล้วยกหูชูคอวิ่งเข้าไปหาแม่ร่าเริงหันษาวิ่งไปมารอบๆฉะนั้นวันนี้แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กัญหาชินานั้นเหมือนอย่างเคย แม่และลูกน้อยทั้งสองไว้ออกไปหาผ ล, ลไม้ดังแม่แพะและแม่เนื้อละลูกน้อยน้อยไปหากินดังปักสีละทิ้งลูกน้อยไปจากรังหรือดังนางราชสีผู้ต้องการอาหารละลูกน้อยไว้ออกไปหากินฉะนั้นวันนี้แม่ไม่เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคย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 เหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อสายคอยชะงแงหาแม่ชะนั้นแม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้นเลยเออก็นี่ผลมาตูมสุขสีดังทองเป็นเครื่องเล่นของลูกน้อยทั้งสองชะไหนจึงมาตกกลิ้งอยู่ที่นี้วันนี้แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กัรหาชินาเหมือนอย่างเคย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 คือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยเวลาเย็นพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยวิ่งมาเกาะที่ชายพกแม่แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองเมื่อก่อนอาสมนี้ปรากฏแก่เราดังว่านี้มหาหรสพวันนี้เมื่อแม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้นอาสมเหมือนดังจะหมุนเวียน นี่อย่างไรอาสมจึงปรากฏแก่เราดูเงียบสงัดจริงหนอแม้ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องพระลูกทั้งสองของแม่จากตายเสียแล้วเป็นแน่แท้นี่อย่างไรอาสมจึงปรากฏแก่เราดูเงียบสงัดจริงหนอแม้ฝูงนกก็ไม่ได้ขันขันพระลูกน้อยทั้งสองของแม่จากตายเสียแล้วเป็นแน่แท้ นี่อย่างไรฟ้าพระบาทจึงทรงนิ่งอยู่เออก็ใจของหม่อมฉันเหมือนดังฝันในเวลาราตรีแม่ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันคงจะตายเสียแล้วเป็นแน่แท้นี่อย่างไรฟ้าพระบาทจึงทรงนิ่งอยู่เออก็ใจของหม่อมฉันเหมือนดังฝันในเวลาราตรี แม่ฝูงนกก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันคงจะตายเป็นแน่แท้ในป่าข้าแต่พระลูกเจ้าเราเนื้อร้ายในป่ารกร้างมาเคี้ยวกินพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันเสียแล้วหรือไฉนหรือว่าใครมานำเอาพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันไปหรือฝ่าพระบาททรงส่งพระลูกน้อยทั้งสองไปเป็นทูต หรือว่าเธอช่างพูดจาน่ารักเข้าไปหลับอยู่ในบนารรนศาลาหรือว่าพระลูกน้อยทั้งสองของเรานั้นเที่ยวเล่นขนองออกไปในภายนอกเส้นพระเกษาพระหัตและพระบาทซึ่งมีลายตาข่ายของพระลูกน้อยทั้งสองนั้นไม่ได้ปรากฏเลยหรือว่านกทั้งหลายมาโฉบเฉียวเอาไป หรือว่าใครนำเอาพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมชันไปการที่พระองค์ไม่ตรัสกับหม่อมชันนี้เป็นทุกขยิ่งกว่าการที่หม่อมชันไม่เห็นชาลีและกันหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นในวันนี้เปรียบเหมือนแผลที่ถูกแทงด้วยลูกสอนฉะนั้นก็การที่หม่อมชันไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองทั้งฝ่าประบาทก็ไม่ได้ตรัสกับหม่อมชันนี้ เป็นลูกสอนเสียดแทงหารุไทยของหม่อมชันซ้ำสองารุไทยของหม่อมชันหวั่นไหวข้าแต่พระราชบุตรถ้าคืนวันนี้ฝ่าพระบาทไม่ได้ตรัสกับหม่อมชันพรุ่งนี้เช้าฝ่าพระบาทก็น่าจะได้ทอดพระเนตรหม่อมชันผู้ปราศจากชีวิตตายเสียเป็นแน่พระมหาสัตตร์ตรัสว่าแนมัดซีเธอเป็นราชบุตรี มีรูปงามอุดมมียศไปสแสวงหามูลพลาหารตั้งแต่เช้าชะไหนหนอจึงกลับมาจนเวลาเย็นพระนางมะสีทูลว่าฝ่าพระบาทได้ทรงสดับมิใช่หรือซึ่งเสียงบรรเลือแห่งราชสีและเสือโครง่งทั้งเสียงสัตว์จตุบาทและฝูงนกทรงเสียงคำรามร้องสนั่นเป็นอันเดียวกันต่างก็มุ่งมาเพื่อจะดื่มน้าอย่างสะนี้ บุพนิมิตได้เกิดมีแก่หม่อมฉันผู้กำลังเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่เสียมพลัดตกจากมือของหม่อมฉันและกระเช้าที่หาบอยู่ก็พลัดตกจากป่าทีนั้นหม่อมฉันก็หวาดกลัวเป็นกำลังจึงกระทำอัญชลีนอบน้อมคิดทั่วทุกแห่งขอความสวัสดีพึ่งมีแต่ที่นี้ขอพระลูกเจ้าของเราทั้งหลาย อย่าได้ถูกราชสีหรือเสือเหลืองเบียดเบียนเลยมีสุนักป่าหรือเสือดาวยามากล้อมกลายพระลูกน้อยทั้งสองของข้าเลยสามสัตว์ ร, ร้ายในป่าคือราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองเหล่านั้นยืนขวางทางหม่อมฉันเหตุนั้นหม่อมฉันจึงกลับมาจนเวลาเย็นไปตัวเราเป็นชะดินีพรหมจารี มันปฏิบัติพระสวามีบำรุงพระลูกน้อยทั้งสองทุกวันคืนดุดมนบปฏิบัติอาจารย์ฉะนั้นตัวเรานุ่งห่มหนังอชินะเที่ยวสแสวงหามูลพลาหารในป่าทุกวันคืนเพราะความรักพระลูกทั้งสองเที่ยวนลูกน้อยนี่ขมิ้นสีดังทองที่แม่หามาบดไว้สำหรับใช้เพื่อเจ้าทั้งสองอาบน้ำ นี่ผลมะตูมสุกสีเหลืองแม่หามาให้เพื่อลูกทั้งสองเล่นอันหนึ่งแม่ได้สรรหาผลไม้สุกอื่นๆมาเพื่อให้ลูกทั้งสองเล่นเหล่านี้เป็นของเล่นของลูกรักทั้งสองค้าแต่พระจอมกษัตริย์นี้เง้าบัวพร้อมทั้งฝักและหนอแห่งอุบลและกระจับอันคลุกคล้าด้วยน้ำพึ่ง เชิญพระองค์เสวยพร้อมพระโอรสพระธิดาเถิดขอพระองค์ทรงโปรดประทานดอกปทุมแก่พ่อชาลีส่วนดอกโกมุสขอได้โปรดประทานแก่กันหากุมารีพระองค์จะได้ทอดพระเนตรพระกุมารประดับประดาด้วยดอกไม้ฟ้อนรำอยู่ขอได้โปรดตรัสเรียกสองพระราชบุตรมาเถิดแม่กันหาชินาจะได้มานี่ แต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์จงทรงพิจารณาเสียงอันไพเราะอ่อนหวานของแม่กัญหาชินาขณะเข้าสู่อาสมเราทั้งสองถูกในประเทศจากเว่นแคว้นเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกันเออก็พระองค์ได้ทรงเห็นพระราชบุตรทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาบ้างหรือ ชอรอยว่ามอมฉันได้สาบแช่งสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นที่ไปเบื้องหน้ามีศีลเป็นพระหูสูตรในโลกเป็นแน่วันนี้มอมฉันจึงไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาหมูน่นี้นี่ก็ต้นว่านี่ต้นยางสายที่ทอดกิ่งค้อมลงมาเป็นรุกขชาติต่างๆพัน ที่สองพระกุมารเคยวิ่งเล่นแม่มิได้เห็นสองพระกุมาร น, นั้นหมู่นี้นี่ก็ต้นโพต้นขนุนต้นไซต้นมะขิดเป็นไม้มีผลนานาชนิดที่พระกุมารทั้งสองเคยมาวิ่งเล่นแม่มิได้เห็นสองพระกุมาร น, นั้นหมู่ไม้เหล่านี้ตั้งอยู่ดุดอุทยานนี่ก็เป็นสระน้ํามีน้ําเย็นซึ่งสองพระกุมารเคยมาเล่น แม่ไม่ได้เห็นสองพระกุมารนั้นรุกชาติที่ทรงดอกต่างๆมีอยู่บนภูเขานี้ที่สองพระกุมารเคยทัดทรงเล่นแม่ไม่ได้เห็นสองพระกุมารนั้นรุกชาติที่ทรงผลต่างๆมีอยู่บนภูเขานี้ที่สองพระกุมารเคยมาเสวยแม่ไม่ได้เห็นสองพระกุมารนั้น เหล่านี้เป็นตุกตาช้างตุกตาม้าตุกตาวัวที่พระกุมารทั้งสองเคยมาเล่นแม่ไม่ได้เห็นสองพระกุมารนั้นเหล่านี้เป็นตุกตาเนื้อทรายทองตัวเล็กเล็กตุกตากระต่ายตุกตานกเขาตุกตาชมดเป็นอันมากที่พระกุมารทั้งสองเคยเล่นแม่ไม่ได้เห็นพระกุมารทั้งสองนั้นเหล่านี้ตุกตาหง เหล่านี้ตุกตานกเรียนตุกตานกยูงมีแววหางงามวิจิตที่สองพระกุมารเคยมาเล่นแม่ไม่ได้เห็นพระกุมารทั้งสองเลยพุ่มไม้เหล่านี้มีดอกบานทุกฤ ด, ดูการที่สองพระกุมารเคยมาเล่นแม่ไม่ได้เห็นพระกุมารทั้งสองนั้นสระโบอกขอรณีนี้น่ารื่นรมเรียกไปด้วยเสียงนกจากพรากมาคูขัน ดาราดาษไปด้วยดอกมณฑาลกดอกปทุมและดอกอุบลที่สองพระกุมารเคยมาเล่นแม่ไม่ได้เห็นพระกุมารทั้งสองนั้นฟืนฝาพระบาทก็ไม่ได้หักน้ําก็ไม่ได้ตักแม้ไฟก็ไม่ได้ติดเพราะเหตุไรเนอพระองค์จึงทรงหงอยเหงาซบเซาอยู่เพราะคนรักกับคนรักประชุมพร้อมกันอยู่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 หม่อมฉันไม่ได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเราผู้ใดมานำเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไปหรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้วแม่ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ขันขันพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันตายเสียแล้วเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพหม่อมฉันไม่ได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเรา ผู้ใดมานำเอาพระลูกทั้งสองนั้นไปหรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้วแม่ฝูงนกก็ไม่ได้ขันขันพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันตายเสียแล้วเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพหม่อมฉันเที่ยวไปที่โคนต้นไม้ที่บริเวณภูเขาและในถ้ำมิได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเรา ผู้ใดมานำเอาพระลูปรักทั้งสองนั้นไปหรือว่าพระรูปรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้วดังนี้แล้วพระนางมสีผู้มีรูปงามอุดมผู้เป็นราชบุตรีผู้มียศประคองแขนคร่ำครวนกันแสงแล้วล้มสลบลงที่พื้นพระสุธาณนะที่ใกล้บาดมูลของพระเวสสันดรนั้นแล พระเวสสันดรราชฤาษีทรงวักเน้ำประพรมพระนางมัศีราชบุตรีผู้ล้มสลบลงณนะที่ใกล้บาดมูลของพระองค์นั้นครั้นทรงทราบว่าพระนางฟื้นพระองค์ดีแล้วจึงได้ตรัสบอกเนื้อความนี้กับพระนางในภายหลังว่าแน่ ä, มัศีฉันไม่ปรารถนาะจะแจ้งความทุกข์แก่เธอแต่แรกก่อน พรามแก่เป็นยาจกผู้ยากจนมาสู่ที่อยู่ของฉันฉันได้ให้ลูกทั้งสองแก่พรามนั้นไปแน่มาซีเธ อ, อย่ากลัวเลยจงเบาใจเถิดแน่มาซีเธอจงดูฉันเถิดจงอย่าดูลูกทั้งสองเลยยากันแสงไปนักเลยเราเป็นผู้ไม่มีโรคยังมีชีวิตอยู่ คงจะได้พบเห็นลูกทั้งสองที่พราหมณ์นำไปเป็นแน่แท้สัตว์บุตเห็นยาจกมาถึงแล้วพึงให้บุตรปรสสุญญสัตว์ธัญชาตและซั์อย่างอื่นในเรือนเป็นทานได้แน่มสศีขอเธอจงอนุโมทนาปุตตะทานอันสูงสุดของเราพระนางมาสศีทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ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 ฝ่าประบาดพระองค์เดียวผู้ะดุงสีพีรัตให้เจริญได้ทรงบำเพ็ญปิยะปุตตะทานแก่พรามแล้วปัตภีก็บรนลือลั่นเสียงสนัน่นบรรลือไปถึงไตรทิศสายฟ้าแลบดูแปลกปราดโดยรอบเสียงสะท้านปรากฏดังหนึ่งว่าเสียงภูเขาถล่มทลายถวยเทพสองหมู่ผู้สิงสถิตอยู่ที่นารัฐบรรพศ ถวายอนุโมทนาแก่พระนอทศพลเวสันดรนั้นพระอินท์พระพรมพระประชาบดีพระโสมพระยมทั้งท้าเวสวรรค์มหาราชและทวยเทพชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินททุกท่วนหน้าย่อมถวายอนุโมทนาพระนางมัซีผู้ทรงพระรูปพระโฉมอันอุดมเป็นพระราชบุตรีผู้มียศ ทรงถวายอนุโมทนาอุตรกรทานอันอุดมของพระเวสสันดรราชฤาษีด้วยประการชนีแลมัตสีบ พ, พะจบ